ยาซีเร <Yeah>, ียสเรื่องหนูกัดเหล็กรั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งมีลูกชายเป็นคนไม่รักดี ได้แต่ใช้จ่ายรัพย์เที่ยวกินเล่นเลี้ยงเพื่อนฝูงไม่นึกทำมาหากินพ่อแม่จะว่ากล่าวตักเตือนอย่างไรก็ไม่เชื่อฟังในที่สุดเศรษฐีก็ตรอมใจตายแต่ก่อนตายได้เอาเงินกับทองใส่ตุ่มย่างและตุ่มฝังไว้และด้วยความดีที่ได้กระทามาส่งผลให้เศรษฐีไปเกิดเป็นเทวดา ฝ่ายลูกเศรษฐีเมื่อพ่อแม่ตายแล้วก็ยิ่งกำเริบใช้เงินเลี้ยงเพื่อนเที่ยวเตะเสเพลไม่นานเงินก็หมดเพื่อนฝูงที่เคยล้อมหน้าล้อมหลังก็หายหน้าไปทีละคนอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนชวนไปกินเลี้ยงกันตามเคยโดยสั่งลูกเศรษฐีตกยากว่าถ้าคิดจะไปกินเลี้ยง ก็ให้เอาไก่ไปร่วมในการกินเลี้ยงด้วยหนึ่งตัวลูกเศรษฐีอยากกินเลี้ยงมากถึงแม้จะไม่มีเงินแล้วก็ยังวขวนขวายหาไก่ได้ตัวหนึ่งจึงจัดการลวกน้ำร้อนถอนขนและผูกห่อใบตองเตรียมที่จะไปร่วมงานกินเลี้ยงครั้นเดินมาตามทางเพราะความเหนื่อยจึงแวะพักใต้ต้นไม้ข้างทางแล้วม้อยหลับไป บังเอิญมีอีกาตัวหนึ่งเกาะอยู่บนต้นไม้นั้นได้กลิ่นเนื้อโชยมาจากใบตองจึงบินโฉบลงมาคาหอใบตองไปเขาจึงต้องไปงานกินเลี้ยงมือเปล่าพอถึงบ้านเพื่อนที่นัดกินเลี้ยงก็เล่าให้เพื่อนฟังแต่ไม่มีใครเชื่อในคำพูดของเขาเลยต่างคิดว่าเขาคงไม่มีปัญญาหาไก่มา จึงโกุเรื่องแก้เกอ้อแถมยังพูดจาเยาะเย้ยถากถางว่าไม่มีปัญญาหาไก่มาแล้วยังไปโทษอีกาอีกลูกเศรษฐีทั้งเจ็บทั้งอายตัดสินใจไม่ร่วมวงกินเลี้ยงด้วยรีบเดินทางกลับบ้านเมื่อถึงบ้านแล้วก็ยังน้อยใจไม่หายนึกถึงความหลังที่ตนมั่งมีเงินทอง คนล้อมหน้าล้อมหลังเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายก็พ่ายผอมฝ่ายเทวดาพ่อแม่เห็นอาการของลูกก็อดสงสารเสียไม่ได้จึงมาเข้าฝันลูกว่านั่นแหละลูกเอ้ยเมื่อพ่อแม่ยังอยู่ก็ได้สอนเจ้านักหนาะเรื่องการใช้เงินทอง เมื่ อ, อยามลำบากยากจนใครเขาจะมานักถือพูดจริงก็เป็นหลอกไปได้ขอให้เจ้ารู้สึกตัวและทำตัวเสียหมยพ่อแม่จะช่วยพอตื่นขึ้นลูกเศรษฐีก็คิดได้จึงสัญญากับพ่อแม่ว่าต่อไปจะเลิกความประพฤติเดิมและตั้งใจทำมาหากิน เลี้ยงตัวให้มีเงินพอจะไม่ให้ใครมาดูถูกได้อีกต่อไปเมื่อเทวดาพ่อแม่ได้รับคำสัญญาจากลูกเช่นนั้นก็พอใจยิ่งนักวม่าลูกสัญญาว่าจะกลับตัวเป็นคนดีจึงได้บอกที่ซ่อนตุ่มเงินและตุ่มทองให้ในฝันนั่นเองพอตื่นขึ้นมาลูกชายเศรษฐีก็รีบไปขุดหาตุ่มเงินตุ่มทอง ก็พบจริงตามฝันจึงนำเงินในตุ่มมาทำทุนตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินไม่นานก็กลับฟื้นตัวพอมีฐานะขึ้นอีกเพื่อนที่เคยหนีหายก็เริ่มกลับมาคบหาเพิ่มขึ้นทุกวันลูกเศรษฐียังจำวันที่เพื่อนฝูงเยอะเย้ยได้ไม่ลืมวันหนึ่ง ลูกเศรษฐีเห็นได้โอกาสจึงชวนเพื่อนมากินเลี้ยงกันอีกเหมือนเมื่อยังร่ำรวยหนนก่อนเพื่อนฝูงต่างก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาขณะที่กินเลี้ยงอย่างคลื้นเคลิคล้นเฮาอยู่นั้นลูกเศรษฐีได้นามีดเทียนเล่มหนึ่งมาให้เพื่อนดูพลางพูดขึ้นว่าอัศจรรย์จริงๆมีเล่มนี้เพิ่งซื้อมาใหม่ๆแท้ๆ ทิ้งไว้คืนเดียวหนูมากัดเสียจนเหี้ยนหมดเหลือท่อนนี้เองเพื่อนฝูงทั้งหลายเมื่อได้ยินก็รับคำเชื่อตามคําพูดบางคนก็ประสมรองพูดว่าจริงเหมือนเพื่อนว่านูมันร้ายนะมีดของเราก็เคยโดนเหมือนกันเหี้ยนมันอย่างนี้ไม่มีผิดเพื่อนคนอื่นก็พูดว่าใช่ใช่คนละคำสองคำ ลูกเศรษฐีเมื่อได้ยินดังนั้นก็คิดได้ว่ายามเมื่อเรายากจนคนรูดถูกไทยคาที่พูดไม่มีน้าหนักถึงพูดความจริงก็ยังไม่มีคนเชื่อแต่เมื่อยามมั่งมีเงินทองจะพูดอย่างไรจริงหรือเท็จไม่สําคัญคนย่อมยอมรับนับถือเรื่องนี้สอนว่ายามมั่งมีมากมาย มิดหมายมองอยามัวมองมิดมองเหมือนหมูหมายามไม่มีมิดเมินไม่มองมายามอดม้วยหมูหมาไม่มามอง